สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สามร้อยเก้าสิบหกสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่สองพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสองข้อยี่สิบสี่จนถึงข้อที่ยี่สิบหกพระธรรมยอห์นบทที่สิบสองข้อยี่สิบสี่จนถึงข้อยี่สิบหกโปรดฟังพรวจนะของพระเจ้า เราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากผู้ใดที่รักชีวิตของตนก็ต้องเสียชีวิตผู้ใดที่ชังชีวิตของตนในโลกก็จะดํารงชีวิตนั้นไว้นิปรันดอนถ้าผู้ใดรับใช้เราผู้นั้นก็ต้องตามเรามาแล้วเราอยู่ที่ไหน ผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าผู้ใดรับใช้เราพระบิดาก็ส่งประธานเกียรติแก่ผู้นั้นพี่อ น, นครับผมจะเน้นในข้อที่24นะครับเปเยซูตรัสว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงในดินและตายไปก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าตายไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากผมจาได้ว่ามีผู้รับใช้นะครับรุ่นอาจารย์ท่านหนึ่ง ก่อนที่ท่านจะจากไปผมได้ฟังคำเทศนาของท่านการสุดท้ายก็คืออยู่ในพระธรรมยอ่อนบทที่สิบสองข้อยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกท่านได้ยกตัวอย่างชีวิตของผู้รับใช้ที่ตกลงไปในดินและตายไปและเกิดผลมากเพื่อนครับทำให้เราได้ข้อคิดเรื่องการตกลงไปของเมล็ดข้าวนะครับ ที่จะเกิดผลมากส่งผลต่อมาในเนี้ยโค้นนั้นก็คือชีวิตของเมล็ดข้าวนั้นจะต้องตกลงไปก่อนคําว่าตกนั้นก็คือหล่นออกมาออกมาจากจุดเดิมที่ไม่อาจเกิดผลเต็มที่หรือที่ไม่ช่วยให้เกิดผลออกมาจากสถานภาพนั้นๆอันที่สองก็คือตายครับปฏิเสธสิ่งที่ตนเองอยากจะมี เลือกที่จะแบ่งปันออกไปสร้างประโยชน์ทิ้งสภาพที่เคยปิดกั้นตัวเองไว้หรือคอมฟอร์ตโซนก็คือโซนแห่งความปลอดภัยของตัวเองและประการที่สาก็คือโตครับเติบโตก็คือคิดที่ถูกเหยียดออกเพื่อที่จะไปแตะต้องสิ่งที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นออกไปขยายกว้างออกไปเผยแพร่แผ่ออกไปพี่น้องครับมเมล็ดหนึ่งมเมล็ดจะจะกลับกลายเป็นต้นข้าวที่มีมเมล็ดสามสิบบ้างหกสิบบ้างหนึ่งร้อยเมล็ดบ้างสิ่งนี้เป็นข้อเตือนใจชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นชวิตคริสเตียนเพราะว่าในทุกวันนี้นั้นพวกเราบางคนอาจจะสนใจ แต่เรื่องตัวเองสนใจแต่แผนการของตัวเองไม่เคยได้สนใจน้มัตไถยของพระเจ้าและไม่ได้สนใจเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับแต่ผลประโยชน์ของตัวเองคิดที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เพื่อตัวเองเก็บเกี่ยวสิ่งที่ตัวเองมีไว้เพื่อตัวเองเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองแสดงว่าเขามีพระเจ้าก็พระเจ้าองค์นั้นของเขา ชื่อตัวเองแต่หากที่เราจะเลือกปฏิเสธความต้องการของตัวเองหากว่าเราเลือกปฏิเสธความต้องการของตัวเองเลือกที่จะตอบสนองต่อความต้องการของพระเจ้าและความปรารถนาของพระองค์น้ำมไทยดีเลือกประเสริฐของพระองค์ด้วยการใช้สิ่งหนึ่งต่างที่เรามีอยู่ที่เป็นต้นทุนในชีวิตของเรานั้นเพื่อประโยชน์กับคนอื่นเพื่อแผนการของพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราควรทําครับ เราเห็นชีวิตของพระเยซูที่ได้ยินดีสละพระชนชีพของพระองค์เองเพื่อช่วยคนบาปเช่นเราพระเยซูทรงสละพระชนชีพหนึ่งชีวิตแต่ผลที่ได้คือชีวิตของผู้คนมากมายได้รับความรอดจากการสิ้นพระชนของพระองค์จากจากการเสียสละของพระองค์พี่น้องครับสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในเช้าวันนี้อีกบทเรียนหนึ่งก็คือว่าเราเห็นว่าชีวิตเล็กๆน้อยๆหนึ่งชีวิต เกิดผลยิ่งใหญ่มากนะครับเขายิบสามพระเยซูตรัสว่าถึงเวลาที่บุตรมนุษย์จะประสบเกียรติเห็นไหมครับพี่น้องครับการสิ้นพระชนขององค์พระเยซูทําให้พระเจ้าได้รับเกียรตินะครับเกรดกรอยหมายความว่าพระสิริยิ่งใหญ่นะครับพระสิริยิ่งใหญ่มากของพระเจ้าการสิ้นพระชนของพระเยซูถือว่าเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าครับ การยอมเสียสละและยอมตายเพื่อคนอื่นพียนงครับนี่คือการถวายเกียรติพระเจ้ามนุษย์นั้นชอบคิดใหญ่ทำใหญ่แต่ไม่เคยคิดว่าสิ่งเล็กๆนะครับถ้าทำด้วยความซื่อสัตย์จะเกิดผลยิ่งใหญ่ได้พี่น้องครับเราคิดถึงพลังนะครับที่อยู่ในดีเออของเมล็ดข้าวไหมครับพี่น้องพี่ชูอบอกว่าถ้า มีมเมล็ดหนึ่งยอมตกลงไปในดินมันจะได้ผลสามสิบเท่าหกสิบเท่าและหนึ่งร้อยเท่าสิ่งเล็กน้อยนั้นสามารถนำไปถึงสิ่งใหญ่ได้เราจะเห็นว่าขนมปังห้าก้อนกับปลาของตัวที่ถูกนำมาวางไว้ที่พระหัตของพระเยซูกลายเป็นสิ่งใหญ่ได้สามารถเลี้ยงคนได้ถึงห้าพันคนพี่น้องครับ มีผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อโดคัสครับเธอมีอาชีพเป็นช่างเย็บผ้าเพียงครับเข็มเย็บผ้าของเธอซึ่งมีไม่กี่อันเล็กๆนะครับเธอสามารถนำออกมารับใช้พระเจ้าและประชาชนได้ทุกคนร้องไห้อะไรถึงเธอเมื่อต้องจากไปหญิงไม้ที่ถวายเพียงเหรียญเดียวนั้นก็พอเลี้ยงชีวิตแต่พระองค์บอกว่าเธอถวายมากกว่าสิ่งอื่นใด ข้อคิดก็คือสิ่งใดก็ตามครับที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเยซูสิ่งนั้นเกิดผลยิ่งใหญ่มหาศาลได้หากว่าเรายอมที่จะมอบชีวิตของเราให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเยซูเช่นเดียวกันครับชีวิตของเรานั้นก็จะเกิดผลมหาศาลได้ผมอยากจะสรุปในเช้าวันนี้นะครับว่าเงื่อนไขของการเกิดผลเยอะเกิดผลมากพระเยซูเรียกร้องนะครับว่าเราต้องเกิดผลมากเคล็ลับก็คือเราต้องติดสนิทกับพระเยซูในพระธรรมยอห์นที่สิบห้าครับ การติดศีลกับพระเยซูคือการเข้าเข้าพระเจ้าอ่านพระวจนะของพระเจ้านมัสการพระเจ้าอธิษฐานนี่คือการติดศีลกับพระเยซูรอคอยฟังเสียงของพระเจ้ารอคอยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความตระหนักรู้และประจักษ์ว่าพระองค์กำลังทำงานในชีวิตของพวกเราพลังเงื่อนไขของการเกิดผลก็คือต้องยอมยอมที่จะตกนะครับตกไปดินแล้วก็ตายนะครับ แล้วก็เติบโตใหม่ครั้งหนึ่งยอมเสียสละเราต้องตกมาในดินเน่าเปื่อยและจะเติบโตงอกขึ้นเกิดผลมากคาว่าเน่าเปื่อยพี่น้องอย่าลืมนะครับตายนะครับถ้าไม่ตายก็ไม่เติบโตครับการตายนั่นหมายถึงว่าการปฏิเสธตัวเองนะครับการตายร่วมกันกับพระเยซูสิ่งสําคัญต่อไปก็คือต้องติดตามพระเยซูครับประเด็นต่อไปคือติดตามพระเยซู ถ้าผู้ใดจะรับใช้เราผู้นั้นต้องตามเรามาเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยนะครับเราต้องรับใช้พระเจ้าตามของประานหรือจรลันของตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับพี่ขับพี่น้องขับเราอยู่ใกล้ใครเราก็จะเป็นเหมือนคนคนนั้นอยู่ใกล้มารซาตานอยู่ใกล้ผีก็จะเหมือนผีอยู่ใกล้พระเยซูก็จะเหมือนพระเยซูอยู่ใกล้คนดีเราก็จะ เป็นคนดีอยู่ใกล้คนชั่วเราก็จะเป็นคนชั่วพี่น้องครับผู้ใดที่ชังชีวิตของตัวในโลกนี้จะทำโรงชีวิตนั้นไว้นิรันดรข้อยี่สิบห้าคำว่าชังนั้นมีความหมายว่าเห็นคุณค่าน้อยกว่าเห็นความสำคัญน้อยกว่าเห็นการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังน้อยกว่ายอมเสียสละหรือยอมเสียเปรียบ ต้องนั่งลงคิดสาระตาดูนะครับว่าการติดตามพระเยซูนั้นคุ้มค่าขนาดไหนพี่น้องครับวิลเลียมแค ร, ร์รีไปประเทศอินเดียเขายอมตายสเตเฟนเทศนาครั้งเดียวและตายยากบกน้องชายของพระเยซูถูกประหารชีวิตตายเปโตถูกจับตึงแมง เ, เขนเอาหัวห้อยลงตายฮารสันเทลเลอร์ไปที่ประเทศจีนและก็ สละชีวิตของเขาให้กับชาวจีนแม็กกิวรี่หมอบัดเลมาประเทศไทยนั้นชัยกับน้อยสุริยะยอมตายเพื่อพระคิดพี่น้องครับตอนแรกๆดูเหมือนว่าจะไม่คุ้มถ้าเราเอาชีวิตของเรามาแลกเป็นการสูญเสียเป็นเหมือนกับทริสเตียนหรือผู้รับใช้โง่แต่ไม่ใช่ครับปัจจุบันนี้มีผู้คนนับล้านที่ลับใจมาเชื่อพระเจ้าในประเทศไทย ในประเทศอินเดียในประเทศจีนพี่น้องครับเราอยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกแห่งการต่อสู้แย่งชิงผลประโยชน์แต่พระเยซูสอนให้เรายอมเสียสละและทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับสําหรับคนที่ไม่เชื่อเขาจะรับใช้ตัวเองแต่สําหรับเราที่เป็นสาวกนั้นเราต้องยอมเสียสละยอมตายนะครับยอมเน่าเปื่อยกนและเราจะโตขึ้น ขอพระคุณเรานะครับที่เราจะมีชีวิตอยู่และถวายเกียรติแด่พระเจ้าอาเมน